วันนี้เป็นวันเสาร์ที่25มกราคมพุทธศักราช 2,568 เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมฝ่ายบุญฝ่ายกุศลได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจ <c oughs> การสร้างความสุขความเจริญให้กับจิตใจนี้ <c oughs> ก็มีหลายวิธีด้วยกันวันนี้เราจะมา ฟังเรื่องของการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจด้วยการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เ<ม>พราะการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมงคลอย่างยิ่งดังในพระสูตรที่ได้ทรงตัดไว้ว่าปูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกล า, ามุตตมัง การบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อชีวิตจิตใจการบูชาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานี้ก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกเป็นวิธีที่ง่ายและวิธีที่สองเป็นวิธีที่ยากขึ้น สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะบูชาด้วยวิธีที่สองที่ยากได้ก็ให้บูชาด้วยวิธีที่หนึ่งก่อนก็คืออามิสสบูชาวิธีที่สองเรียกว่าปฏบิบัติบูชานี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรก ระดับที่ง่ายเรียกว่าอามิสบูชาระดับที่ยากขึ้นกว่าระดับแรกเรียกว่าปฏิบัติบูบชาอามิสบูชานี้คือการบูชาด้วยเครื่องสักการะต่างๆและสิ่งของต่างๆจะตุปปัจจัยไทยทานต่างๆ เรียกว่าเป็นการทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนาด้วยปัจจัยสีเช่นอาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหง่มบุติที่อยู่อาศัยและยารักษาโาครคภัยไข้เจ็บอันนี้เป็นสิ่งของพื้นฐานในการทำรู้บำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนั้นก็มีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆเช่นศาลาโบสถ์เจดีย์และพระพุทธรูปต่างๆที่เป็นส่วนประกอบของพระพุทธศาสนาการทำบุญทำทานด้วยจตุ ป, ปตไตยทายทาน ไม่ว่าจะเป็นทานชนิดไหนก็ตามสังฆทานบุคคลิกทานหรือการถวายผ้าป่าก็ดีถวายผ้ากฐถินก็ดีการสร้างกุฏิให้กับพระภิกษุได้มีที่อยู่อาศัยก็ดีเหล่านี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาคือการบูชาด้วย ข้าวของเงินทองต่างๆ ต, ต, ตามกำลังของผู้ที่มีศรัทธาไม่ได้มีการบังคับว่าจะต้องทำมากน้อยเท่าไหร่แล้วแต่กำลังศรัทธากำลังทรัพย์ของแต่บุราบุคคลมีมากก็ทำมากมีน้อยก็ทำน้อยอา น, นิสงส์ของการกระทำก็คือความสุขใจ ก็จะมีมากมีน้อยไปตามกําลังของแต่ละคนและเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปความสุขใจที่ได้จากการบูชาด้วยอมิสบูชานี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยที่จะนำพาดวงวิญญาณให้ไปสู่สุคติต่อไปนี่คือการบูชา แบบไดายเพราะว่าทุกคนนี้สามารถที่จะทำบุญทำทานได้ด้วยกันทุกคนไม่แต่ข้าวทบพีหนึ่งก็ถือว่าเป็นการได้ทำบุญแล้วฉันไม่ต้องไปวิตกกังวลกับของว่าจะต้องทำมากหรือทำน้อยลาพเราทำไปตามกำลังของเรา เพราะบุญด้วยความสุขใจที่เกิดขึ้นจากการทําบุญนี้ไม่ได้วัดด้วยตัวเลขของของทรัพย์ของเงินทองเช่นคนสองคนทําบุญด้วยเงินทองเท่ากันเช่นคนละร้อยบาทแต่ความสุขใจหรือบุญที่เกิดขึ้นในใจของทั้งสองคนนี้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณของทรัพย์สินสัดส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปเช่น<ม>ถ้าคนหนึ่งมีเงินอยู่พันหนึ่งมีทรัพย์สินอยู่พันหนึ่งบริจาคไปร้อยบาทก็จะเท่ากับบริจาคร้อยละสิบของทรัพย์สินที่มีอยู่ แต่อคนหนึ่งนี้มีทรัพย์สินอยู่ร้อยบาทแล้วก็เบยจากร้อยบาทนี่คนนี้เบยจากทรัพย์สินร้อยละร้อยเลยคือเบยจากหมดเลยเช่นอาจจะไปบวชก็มีเงินมีทองมีอะไรก็สละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปหมดเพื่อจะได้ไปบวช คนที่ทําบุญทั้งหมดทรัพย์สินคือมีทรัพย์สินเท่าไหร่ก็เบิจากไปหมดนี่จะได้ความสุขใจได้บุญมากกว่าคนที่มีทรัพย์สินพันบาทแล้วก็เบิจากไปร้อยบาทเพียงถือว่าเบิจากไปเพียงร้อยละสิบยังมีอีกเก้าเก้าในสิบที่เก็บไว้อยู่ แต่คนที่มีร้อยแล้วก็บริจาคไปทั้งร้อยนี้ก็เป็นคนที่สละทรัพย์สมบัติเงินทองไปหมดเพื่อจะได้ไปบวชเพื่อที่จะได้ไปสร้างหรือบูชาขั้นที่ขั้นที่สองคือไปปฏิบัติบูชานั่นเองผู้ที่ไปปฏิบัติบูชานี้ต้องบูชาด้วยการปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลของนักบวชขึ้นไปคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปแล้วก็เอาเวลาไปเจริญสตินั่งสมาธิศึกษาธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> เพื่อให้เกิดปัญญาที่จะเอามาใช้ในการดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปมากําจัดเหตุที่พาให้จิตใจต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายพบในสังสารวัฏอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดลงอันนสงส์ของการปฏบิบัติบูชาก็จะยิ่งใหญ่กว่าอามิษบูชาอามิษบูชานี้ก็จะพา ให้ผู้ผู้ได้กระทำมิสุบาบูชานี้ไปสู่สุคติเวียนไหวอยู่ในสุคติตายไปก็ไปสวรรค์ชั้นต่างๆแต่พอบุญที่ส่งไปหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่แล้วก็กลับไปเวลาตายไปก็ไปเกิดไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆใหม่ ก็จะต้องติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในสุกตินี้ไปเรื่อยๆแต่สำหรับผู้ที่สามารถเข้าสู่การปฏิบัติบูบชาได้คือออกบวชได้หรืออยู่แบบนักบวชได้อย่างน้อยก็ต้องถือศีลแปดให้ได้ถือศีล8ปดศีลส0บศีลสองยีเเป็นต้นแล้วก็เอาเวลาทั้งหมด ที่มีอยู่ให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้เอามาชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาต่างๆและยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ต้องเกิดจากการปฏิบัติบูบชาผู้ที่สามารถปฏิบัติบูชาได้ตามที่พูะเจ้าได้ทรงสอนไว้ทุกประการก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขึ้นไปจากขั้นโสดาบันก็ขึ้นสู่ขั้นสกิทาคามีจากขั้นสกิทาคามีก็สู่ขั้นอนาคามี จากขั้นอนาคามีก็สู่ขั้นพระอาหารหันต์พอถึงขั้นที่สี่ขันข้นของพระอาหารหันต์แล้วจิตใจก็จะกลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆเมื่อจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสตัณหาจิตใจก็เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นจิตใจที่ไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายใน้พบน้อยพบใหญ่ต่อไป นี่คือการบูชาในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงความเคารพความเรื่มสายศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่กับโลกนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนานเพราะพุทธศาสนานี้จะอยู่ในโลกนี้ไปได้เรื่อย mm. ก็ต้องมีพระอาหารหันตสาวกเป็น mm. เป็นผู้มารับ mm. มาสืบทอดคาสอนของพระพุทธเจ้า mm. ถ้าไม่มีพระอาหารหันแล้ว mm. คำสอนที่เอามาถ่ายทอดนี้จะเป็นคำสอนที่ไม่ตรงกับความจริงเพราะจะมีความ รู้สึกนึกคิดของกิเลสตัณหาเข้ามาปะปดด้วยทำให้ผู้ที่มาศึกษามาฟังธรรมจากผู้ที่ยังเป็นจิตใจไม่บริสุทธินี้จะไม่ได้ทำแท้จะได้ทำฟอร์มแล้วเมื่อนำเอาธรรมที่ได้ยินได้ฟังที่เป็นธรรมฟอร์มนี้ไปปฏิบัติ ก็จะไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็จะไม่สามารถนำเอาความรู้คือธรรมที่เป็นธรรมแท้นี้เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้อื่นได้ผู้ที่มาศึกษามาปฏิบัติเมื่อไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาในพระพุทธศาสนาไปต่อไปก็คนที่จะมาศึกษามาปฏิบัติก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้หรือไม่สามารถเข้าถึงมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งได้ คือมรรคผลนิพพานการจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นี้ต้องได้ได้ยินได้ศึกษาจากธรรมแท้จากผู้ที่มีธรรมแท้คือพระอหรหันต์ภาษาวกของพระพุทธเจ้าและพระธรรมที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้หละเป็นที่บรรจุพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงแสดงทำไว้ตลอดระยะเวลา45พันศาด้วยกันหลังจากที่ได้ทรงตัดสั้พระาอนุตลาสามมาสัมโพธิญาแล้วหลังจากนั้นสองเดือนคือวันเพ็ญเดือน8ทรงตัดสั้ในวันเพ็ญเดือนหวันวิสาขาบูชา <c oughs> พอต่อมาอีกสองเดือนก็ทรงประกาศพระธรรมคำสอนเป็นครั้งแรก แสดงธรรมโปรตพระปัญจวาคัคคีหลังจากที่ได้ทรงแสดงธรรมหนึ่งในพระปัญจวาคัคคีก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นทรงแสดงธรรมอีกสองสามครั้งพระปัญจวาคัคคีทั้งห้ารูปก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาทันที อ้อมกันเลยหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดบอกให้พระอาหารหันตสาวกทั้งห้ารูปนี้ให้กระจายไปใกล้คนละทิศคนละทางเพื่อนำธรรมแท้ธรรมเนประเสริฐนี้ไปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุยังไม่ได้หลุดพ้นให้ได้นำมาไปปฏิบัติ ให้บรรลุให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใ น, ในช่วงระยะเวลาเจ็ดเดือนแรกของการเผยแร่คือตั้งแต่วันเพ็ญเดือนแปดมาจนถึงวันเพ็ญเดือน 3, สามี่เป็นวันมาค้าบูชานี่มันเป็นระยะเวลาแปดเดือนด้วยกันก็นปรากฏมีผ้าอหันตสาวก หนึ 1> 1, ่ร้าสิบรูปมาเข้าเข้าพระพุทธเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันมาจากสารทิตต่างๆพอหลังจากที่ได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมและบรรลุธรรมได้แล้วพระพุทธเจ้าก็ส่งบอกให้ไปเอาธรรมมันเลิศอันเปรศนี้ไปเผยแพ่ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไป แล้วพอถึงวันแผ่นเดือนสามนี้เป็นธรรมเนียมของศาสนาในครั้งนั้นมีการทำบุญใหญ่มีการเข้ากราบเข้าหาพระศาสดาของของของของแต่ละศาสนาเป็นการเหมือนกับคืนสู่เย่าของนักเรียนนักศึกษาที่หลังจากได้จบปริญญาแล้วออกไปทำมาหากินหาเงินหาทองแล้ว ก็จะมีวันประจำปีที่เรียกว่าวันคืนสู่เย้ากันก็จะได้กลับมาเข้าหาพบปะสมาคมกันแล้วก็อาจจะมาร่วมทำคุณทำประโยชน์ให้กับสถาบันต่อไปอย่างใดอย่างหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันพวันเพ็ญเดือนสามวันมาค้าบูชาที่จะมาในเดือนหน้านี้วันเดือนกุมภาก็จะเป็นวันเพ็ญเดือนสาม ก็ปรากฏมีผ้า อ, อันหันตตัสสาวก 1,250 รูปด้วยกันที่ไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีแสดงความชื่นชมยินดีกับพระคุณอ น, นประเสริฐที่ได้ทรงสั่งสอนให้ท่านเหล่านี้ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันยุคแรกๆนี้มีผู้บรรลุธรรมได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะมีเหตุผลสอยู่สองประการด้วยกันเหตุผลหนึ่งก็คือผู้แสดงธรรมนี้เป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์อมตะเจ้านี้มี เพราะทยที่สะอาบริสุดธิ์ปราจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาทรรมที่สงสแสดงจึงเป็นธรรมที่บริสุดธผุดพองเป็นธรรมแท้ธรรมล้วนๆไม่มีของปลอมเข้ามาเจือปนเวลาสแสดงธรรมจึงเราธรรมแท้ออกมาให้กับผู้ฟังได้ฟังและผู้ฟังก็เป็นผู้ที่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าคือมีศีลที่บริสุทธิ์ แล้วก็มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบคือสมาธิพอจิตที่มีศีลมีสมาธิได้รับแสงสว่างแห่งปัญญาจากพระพุทธเจ้าก็สามารถที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยต่างกับสมัยนี้ที่เวลามีการฟังธรรมกันนี้จะมีน้อยมากที่ จะมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ยินได้รู้เท่านั้นเองแต่มีอยู่บ้างถ้าอยู่ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติแล้วได้ฟังเทศฟังธรรมของพระอริยบุคคลจากพระอริยบุคคลจากพระนรันตสาวกของพระพุทธเจ้าและถ้าผู้ฟังเป็นผู้ที่มีศิ่ที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบ ขั้นระดับรูปฌานก็จะสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยก็มีอยู่แต่มีเป็นจานวนน้อยส่วนพวกที่ฟังธรรมกันแบบเป็นจำนวนมากๆนี่แล้วก็มักจะไม่ค่อยได้มีการบรรลุธรรมกันเท่าไหร่เพราะว่าจิตของผู้ฟังธรรมนี้ยังไม่ได้อยู่ในขั้น ที่มีอินทรีย์หรือพระหา้าที่แก่กามีศีลที่บริสุทธิ์มีจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในความสงบมีสติมีปัญญาพร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมจากผู้แสดงที่มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์รับธรรมแท้เข้ามาสู่จิตใจได้ น, นี่แหละคือการที่พระพุทธศาสนา มีความเจริญนุ่งเรืองมาอยู่จนถึงยุคปัจจุบันนี้ได้ก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ที่การมีพระอนาาันตสมาคมของพระพุทธเจ้ามาคอยนำมาทำแท้ของพระพุทธเจ้านี้มาเผยแผ่อยู่เรื่อยๆเช่นเวลาพระเจ้าทรงสแสดงธรรมพอพระพันจาวว่าขีบรุษทำแล้ว พระบรรวิคีก็จะไปสั่งสอนผู้อื่นต่อไปพอผู้อื่นได้ยินได้ฟังธรรมจากพระปัญจวิคีก็สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องฟังจากพระพุทธเจ้าพเพียงพระองค์เดียวเพราะถ้าให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์เดียวเพื่อให้บรรลุนี้ก็ต้องเป็นการยากลําบากกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยใช้ผ้าอลันตาสาวกนี้เป็นผู้ที่มาช่วยเผยแผ่คําสอนนันประเสริฐให้แก่สัตว์โลกผู้ยังติดข้องอยู่ในวัฏะสงสารอยู่ในวัฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้อายุคแรกๆสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงมีชีวิตอยู่นั้น ยึงถือว่าเป็นยุคทองของพระพุทธาศาสนาเพราะปรากฏมีพระอาริยบมมุคคลเป็นจำนวนมากเพราะการศึกษาการฟังเทศฟังธรรมส่วนใหญ่ก็จะได้ศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกกันโอกาสที่จะได้บรรลุธรรมตามที่พระเจ้าได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะต้องบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาอย่างแน่นอนอันนี้แหละเป็นวิธีการที่เราจะแสดงความกตัญญูต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะเมื่อเราปฏิบัติบูชาแล้วสิ่งแรกที่เราจะได้รับก็คือเราจะได้เป็นผู้ที่ได้รับมรรคผลผนิพพานสามารถหลุดพ้น จากความทุกข์ต่างๆได้แล้วหลังจากที่เราได้บรรลุแล้วเราก็สามารถที่จะนําเอาความรู้ที่แท้จริงนี้ธรรมแท้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุได้หลุดพ้นได้แต่ถ้าเรายังไม่ได้บรรลุมากผลนิพพานจิตใจเรายังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาครอบงำอยู่เนี่ เวลาเราแสดงธรรมนี้เรามักจะเอากิเลสตัณหามาแสดงด้วยทำให้ผู้ฟังนี้อาจจะสับสนฟังแล้วไม่เข้าใจทำเป็นอย่างหนึ่งแต่กิเลสตัณหานั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้จึงไม่ควรที่จะไปแสดงธรรมสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรม อันประเสริญนี้ด้วยตนเองการได้ยินได้ศึกษาธรรมนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการบรรลุธรรมที่แท้จริงการบรรลุธรรมที่แท้จริงนี้นอกจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วต้องเอาธรรมที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเพื่อไปพิสูจน์ดูว่าธรรมที่เราได้ศึกษานี้สามารถนํามามาดับความทุกข์ต่างๆ ที่มีในใจของเราได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่เอาไปพิสูจน์เอาไม่เอาไปปฏิบัตินี่เราก็จะไม่รู้ว่าเป็นธรรมแท้หรือเป็นธรรมไม่ไม่แท้ถ้าเราเอาไปสอนคนอื่นก็อาจจะสอนแบบไม่ถูกก็ได้สอนให้ทำให้ผู้อื่นเขาหลงผิดไปกับเราก็ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเรายังไม่มีทำแท้อยู่ในใจเราเราอย่าเพิ่งไปเผยแผ่แต่เราสามารถช่วยเอาทำแท้ของพาอาระอรหันตสาวกฤตของพระพุทธเจ้าเอาไปเผยแผ่ได้เช่นหนังสือธรรมะต่างๆที่เป็นของพระอารันตสาวกก็ดีหรือที่คัดออกมาจากพระตายพิฎกก็ดีเป็นทำแท้ที่เราสามารถที่จะนําเอาไป เผยแร่ได้เช่นพิมพ์หนังสือธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆของภาพสุปฏิปันโนหรือ พ, พ, พ, พิมพ์ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ค้าดออมาจากพระไตรปิฎกเอามาเผยแผ่ได้แต่เราไม่ควรที่จะเป็นผู้ที่แสดงธรรมด้วยตนเองถ้าเรายังไม่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราจะไปสอนให้คนอื่นเ็าหลุดพ้นได้อย่างไร mm. เป้าหมายแรกของการปฏิบัติบูบชานี้ผู้เจ้าทรงตัดว่าให้ยังประโยชน์ของตนให้ถึงพร้อมก่อนให้ทาให้ตนเองให้ได้หลุดพ้นจากของทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นต่อไป mm. เป็นพระปัจจิโมว่า ตรงตัว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปยงยังตรงยังประโยชน์ของตนและของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดให้ยังประโยชน์ของตนก่อนไปศึกษาไปปฏิบัติให้หลุดพ้นก่อนเมื่อหลุดพ้นแล้วก็ค่อยเอาไปสอนคนอื่นไปช่วยคนอื่นต่อไป ด้วยความไม่ประมาทก็คือให้รีบทำเสียตั้งแต่ขณะนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะสังขารร่างกายของเรานี้ไม่มีใครสามารถที่จะไปกาหนดว่าจะอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ได้ความตายนี้อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่ดางนั้นในลานี้ถ้ายังมีชีวิตอยู่ ยังสามารถศึกษายังสามารถปฏิบัติทำได้ควรเอาเวลานี้มาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติดีกว่าอย่าเอาเวลาไปให้กับการแสวงหาความสุขแบบชั่วคราวคือความสุขจากลาบยศสรรเสริญจา ก, กลูปเสียงกินลดโผฏพาชนิดต่างๆเพราะความสุขเหล่านี้ไม่สามารถทำให้จิตใจ มุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็จะติดอยู่ในกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเรื่อยๆและโอกาสที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งนี้ก็เป็นของที่ยากมากไม่ใช่ว่าเราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาเจอพระพุทธศาสนาได้ทุกครั้งไป พราะการปรากฏของพระพุทธศาสนาในโลกนี้ก็นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พระธรรมคําคสอนอันประเสริฐแล้วนําเอาพระธรรมคําคสอนอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอน<ม>การได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในรอบนี้และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนา จึงถือว่าเป็นโชคคาลาบอันประเสริฐที่ยากที่จะเกิดขึ้นยากยิ่งกว่าการถูกกตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอีกเราคงจะรู้กันว่าการโอกาสที่จะถูกกัตเตรี่รางวัลที่หนึ่งนี้มันไม่ใช่เป็นของง่ายดายเลยเช่นเดียวกับการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาเจอกับพรษษะพุทธศาสนาก็เป็นเช่นนั้นอตอนนี้เราต้องถือว่าเราเป็นผู้ที่มีโชค เราได้ถูอวัตตะลี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแล้วเราได้มาเจอพระธรรมคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่ยังมีเผยแผ่อยู่ในโลกนี้มีทั้งหนังสือธรรมะที่คัดมาจากพระไตรปิฎกมีทั้งคำสอนของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายที่เป็นธรรมแท้ที่จะสอนให้เราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ทำให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกได้อย่า ง, างแน่นอนดังนั้นเราอย่าประมาทคืออย่าปล่อยให้เวลาอันมีค่านี้ผ่านไปโดยไม่รีบนำรับเอาพระธรรมันประเสริฐนี้เข้ามาสู่ใจของเราด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติซึ่งก็เป็นเหมือนกับการไปขึ้นรางวัล เวลาที่เราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนเราก็ถ้าเก็บลอตเตอรี่ไว้เฉยๆลอตเตอรี่ใบ น, นั้นมันก็จะไม่เปลี่ยนเป็นเงินทองขึ้นมาไม่เป็นรางวัลขึ้นมาเราอยากจะได้รางวัลเราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ใบที่ถูกนี้ไปขึ้นรางวัลที่สำนักสลากอินแบ่งเขาอพอเราไปขึ้นรางวัลเอาลอตเตอรี่ที่ถูกนี้ไปให้เขาเขาก็จะมอบรางวัลให้กับเราอ อันใดการได้มาเกิดเป็นมนุษย์และการได้มาเจอกับพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกับการได้ถูกคัตตรี่ของพระพุทธศาสนาก็คือได้มรรคผลผนิพพานมีสิทธิ์ที่จะไปถึงมรรคผลนิพพานได้แต่จะไปได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องไปขึ้นรางวัลกันเพราะว่าการถูกคัตตรี่เพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่ได้รับรางวัลรางวัลยังไม่เกิด จะรับรางวัลได้ก็ต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็ขึ้นรางวัลด้วยการปฏิบัติบูชานี่เองให้เราไปไปศึกษาไปปฏิบัติถ้าอยากจะไปเร็วก็ให้ไปบวชกันเพราะวิธีบวชนี้เป็นเหมือนวิธีขึ้นทางด่วนเพราะว่าจะไม่มีรถไม่มีสียากไฟแดงมาคอยขัดขวางการเดินทาง จะเป็นทางตรงเป็นทางไฟเขียวผ่านตลอดแต่ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นทางด่วนเราขับรถอยู่ใต้ทางด่วนนี้เราก็จะต้องเจอกับอุปสรรคต่างๆบนทางถนนมีทั้งแยกไฟแดงมีทั้งอุบัติเหตุที่อาจจะทำให้จีดความการจราจรมีรถเสียบ้างอะไรบ้าง โอกาสที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างรวดเร็วนก็ยาก็จะยากกว่าแต่ถ้าพอขึ้นทางด่วนแล้วนี้ถนนจะโลง่งจะว่างจะไม่มีอะไรมาขัดขวางการจราจรการเดินทางก็สามารถที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วถ้าอยากจะไปอย่างง่ายดายและรวดเร็วก็ต้องไปแบบนักบวชต้องไป บวชกันขั้นต้นก็อาจจะบวชช่วงคราวก่อนก็ได้บวชในวันพระตอนนี้เรายังไม่มีอินทรีย์พอที่จะไปบวชอย่างเต็มรูปแบบได้เราก็มาใช้วันพระนี้เป็นวันซ้อมเป็นนักบวชไปก่อนวันพระนี้เป็นวันที่พระ เ, เจ้าทรงสอนให้เราหยุดการทำงานทำการในทางโลกไปหนึ่งวันถ้าวันพระของเราสมัยนี้ไม่ตรงกับวันหยุด เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้ไปตรงกับวันหยุดเดี๋ยวนี้เราหยุดทำงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์เช่นวันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์คนส่วนใหญ่ก็จะไม่ไปทำงานกันก็ถือว่าวันวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ควรจะเป็นวันพระสำหรับผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะได้เอาวันหยุดทำงานนี้มาเป็นวันพระแทนเพราะถ้าไปยึดตามปฏิทินแบบเดิมวันพระนี้จะไม่ตรงกับวันหยุดทำงานจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเยช่นวันพระที่ผ่านมาก็ไปตรงกับวันอังคารก็จะถ้าไปทำงานก็จะไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติธรรมได้มาปฏิบัติบูชาได้ เราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดของเราเพราะความหมายของวันพระก็คือวันหยุดทำงานนี่เองเป็นวันที่พระเจ้าทรงตรัสสอนให้ศัท ธ, ธาญาติโยมผู้ปฏิธรรนาการหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้หยุดทำงานสักหนึ่งวันหยุดภารกิจทางโลกการทำาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ดีหาลาบยศสรรเสริญหรือหาความสุขจางรูปเสียงกิ่นรสโผพก็ดี เพราะงานเหล่านี้จะไม่สามารถทำให้จิตใจหลดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องเป็นงานปฏิบัติบูบชาคืองานรักศินสมาธิปัญญาศีลก็ต้องเป็นศินระดับของนักบวชคือตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปที่เราเรียกว่าศีลเน่ขมมะธรร ม, มเน่ขมมะก็คือการละเว้นการหาความสุขจากการเซน ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทาพานั่นเอง ก็จะมีอยู่ในเป็นข้อกำหนดข้อห้ามอยู่ในสินแปดต้องมาถือสินแปดถ้าต้องไปทำงานการถือสินแปดก็จะไม่สะดวกถือได้ก็แค่สินห้าเพราะสินแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราเช่นไม่ให้เราแต่งเนือแต่งตัวทำ ส, สวยความงามนากของร่างกายห้ามไม่ให้เรากินอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว ซึ่งอาจจะเป็นการยากลำบากของผู้ที่ต้องไปทำงานทาการจึงไม่นิยมที่จะถือสินแปกันในวันทางานในวันทางานก็ให้ถือศีลห้าไปต้องการติดประตูบายไว้ก่อนอย่าปล่อยให้ใจตกต่ำลงไปกว่าการเป็นมนุษย์การที่เราจะอยู่เป็นมนุษย์ได้ น, นี้เราต้องมีศินห้าเป็นคู่คํำประกัน ถ้าเราไม่สามารถรักษาสีหน้าได้นี้แสดงว่าใจของเรานี้ตกลงไปสู่อาบายแล้วบางส่วนนะเริ่มเริ่มกลายพันธุ์จากมนุษย์ก็อาจจะกลายไปเป็นเดรัจฉานบ้างกลายเป็นเปลืบ้างกลายเป็นอสูรละกลายบ้างกลายเป็นนรกบ้างอันนี้ขึ้นอยู่กับการกระทําบาปถ้าทําบาปมากขึ้นการกลายพันธุ์ก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้าไปไปเป็นเดราาัจฉานไปเป็นเปรตแล้วกำลังที่จะมาใช้กับการปฏิบัติธรรมนี้ก็แทบจะไม่มีเลยเราจะถูกอำนาจของกิเลสตัณหาคอยถักดันให้ไปทำบาปอยู่เรื่อยๆนั่นเองงั้นอย่างน้อยชาวพุทธเรานี้ต้องรักษาศีลห้าไว้เป็นพื้นฐานให้ได้รักษาความเป็นมนุษย์<ม>วไว้เมื่อเราเป็นมนุษย์เราก็จะได้มาทาอมิสบูชาได้ ทำบุญทำทานถวายข้าวของเงินทองต่างๆได้แล้วถ้าเรามีกําลังมากขึ้นเช่นวันพระเราก็มามาทําการปฏิบัติบูบชาอันธรรมดาเราก็ทํามมิสบูชาเช่นทำบุญใส่บาตรบริจาคเงินทําบุญวันละเล็กวันละน้อยตามกําลังของเราถ้าทําได้ทุกวันมันจะติดเป็นนิสัยไปแล้วมันจะทําให้จะทําได้ง่ายกว่า ที่นานๆจะมาทาสักครั้งหนึ่งเวลาเรามานานๆทาสักครั้งหนึ่งเราก็จะทำได้บ้างแต่ทำได้น้อยเพราะเราจะเสียดายเงินแต่ถ้าเราทำทุกวันวันละเล็กวันละน้อยแต่เมื่อมารวมรวบรวมกับการทำบุญนา น, านๆแต่ครั้งนี้เงินที่เราได้บริจาคไปนี้อาจจะมีมากกว่าเงินที่เราจะบริจาคทำนานๆครั้งหนึ่งอันนี้ก็ เป็นเรื่องของอภิษบูชาไปสําหรับวันทํางานวันทํางานเราก็มีมีการทําบุญใส่บาตรก็ได้สมัยนี้จะทํานทำบุญกับใครก็ได้ถ้าไม่สะดวกที่จะใส่บาตรจะทําบุญกับใครที่เราอยากจะช่วยเหลือก็ได้แม้แต่สัตว์ในราชาเราก็ทําได้นิ่งสมัยนี้มีการบริจาคเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ซึ่งเป็นของที่ง่ายมากสามารถทำได้อย่างง่ายได้และรวดเร็วมันทำงานก็อย่างน้อยก็อย่าขาดทุนอย่างน้อยก็ต้องรักษาสินไว้รักษาสินห้าไว้ให้ได้เพราะถ้าเราไปทำบาปนี้เราก็จะขาดทุนโอกาสที่เราจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะยากขึ้นก็จะนานขึ้นเพราะเราจะต้องไปรับผลบาปไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปร บ, บ้าง ไปเป็นอนุสรกายบ้างไปตกนรกบ้างแต่ถ้าเรารักษาศี่ห้าไว้ได้อย่างมั่นคงแล้วเรามันทําบุญอยู่เรื่อยๆบุญก็จะมีมากกว่าบาปเวลาตายไปใจก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วพอ mm. พอหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็จะมาสร้างบุญสร้างกุศลใหม่ต่อไป อันนี้ก็เป็นเราสามารถบูชาทั้งสองอย่างได้วันธรรมวันธรรมดาเราก็บูชาด้วยอมิสบูชาต่อวันหยุดทำงานเราก็มาปฏิบัติบูบชากันไปหาที่สงบการการจะปฏบิบัติบูชานี้ต้องมีสถานที่สงบสงัดวิเวกต้องอยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกิ่รสผลทพัชชนิดต่างๆ เพราะถ้าเราอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นรสเวลาได้สัมผัสได้ยินได้ได้เห็นแล้วมันจะเกิดการมัฉันทะขึ้นมาเกิดนิวรันขึ้นมาโดยความอยากจะเสพกรามขึ้นมาอยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอมีความอยากจะเสพแล้วใจก็วุ่นวายยากต่อการที่จะทําใจให้สงบได้นะยากต่อการจเจริญสติให้ใจอยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปได้พอได้ยินเสียงปั๊บได้ยินเสียงดนตรี ได้เห็นรูปของคนนั้นคนนี้ขึ้นมาการอารมณ์ที่มีในใจมันก็จะผลดโผล่ขึ้นมาได้การที่เราจะปฏิบัติบูชาจึงจาเป็นที่จะต้องหาสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกไปอยู่ตามสำนักปฏิบั ต, ติต่างๆหรือไปอยู่วัดที่เป็นวัดปฏิบัติวัดปฏิบัติกับวัดไม่ปฏิบัตินี้จะมีความแตกต่างกันสมัยนี้เราต้องเขารู้ว่าวัดนี้มีหลายหลายรูปแบบด้วยกัน วัดที่เป็นวัดท่องเที่ยวก็มีวัดที่เป็นวัดปฏิบัติก็มีวัดท่องเที่ยวนี้จะปล่อยให้คนเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะอก็จะมีผู้คนหลากหลายด้วยกันแล้วก็จะมีการเสพรูปเสียงกลิ่นรสกันมีร้านขายของมีร้านอาหารมีขายเครื่องดื่มมีอะไรต่างๆหรือบางวัดก็จะมีมหาสศบรรเทงด้วยมีงาน งานวัดจัดงานวัดกันไปวันเหล่านี้ไม่ไม่ได้เป็นวัดสําหรับวัดปฏิบัติบูชาวัดเหล่านี้อาจจะเป็นวัดสําหรับอามิสบูชาไปวัดแล้วก็ไปปิดทองปิดทองแล้วก็ไปบริจาคเงินเข้าในตู้บริจาคไปจะได้แค่อามิสบูชาแต่จะไม่ได้ปฏิบัติบูชาถ้าถ้าจะปฏิบัติบูชาก็ต้องไปหาวัดที่มีความเงียบสงบ วัดที่เน้นการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญา<ม>ก็ต้องเป็นวัดที่สงบสงดัดไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวกันวัดเดี๋ยวนี้ต้องต้องรู้จักเลือกว่าเป็นวัดแบบไหน<ม>เราต้องการผลอย่างไรเราก็ต้องรู้จักเลือกว่าเราต้องการผลจากการปฏิบัติบูชาเราก็ต้องไปหาวัดที่ เน้นในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราต้องการอามิสบูชาเราก็ไปวัดที่เขาเปิดให้คนเข้าไปกราบไหว้พระพุทธรูปติดทองถวายทรัพย์สมถวายเงินทองเข้าตู้บริจาคถวายสังฆทานอะไรต่างๆอันนี้ก็อยู่ที่ระดับของการบูชาของเราว่าเราจะเน้นการบูชาอย่างไรสําหรับวันที่ ถ้าเราต้องการปฏิบัติบูชานี้เราก็ต้องหาวันที่เรามีเวลาว่างหยุดจากภารกิจการงานถ้าเรายังไม่พร้อมที่จะไปบวชเต็มรูปแบบได้เราก็ต้องซ้อมไปก่อนซ้อมลบเหมือนกับนักฐานนี่เขาต้องคอยซ้อมลบอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเข า, าไม่รู้ว่าจะเกิดสงครามขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วถ้าเขาไม่ซ้อมลบไม่เตรียมตัวไว้ เดี๋ยวเวลาเกิดสงครามขึ้นมาเขาจะไม่รู้จักวิธีรบว่ารบอย่างไรพวกเราก็เป็นเหมือนนักรบเหมือนกันนักรบในวิธีของกิเลสตัณหาโมโหหาวิชาที่เป็นคู่ต่อสู้ของเราตอนนี้กิเลสตัณหาโมโหหาวิชามันเป็นผู้ที่มาเหยียบย่าทำลายจิตใจของเราอยู่อยู่เรื่อยๆ เวลาที่เรามีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลมีความหวาดกลัวอะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนวเป็นผลงานของกิเลสตัณหาทั้งนั้นหน้าที่ของเราถ้าเราต้องการที่อยากจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจเราเราก็ต้องสร้างธรรมะขึ้นมนาะเราก็ต้องปฏิบัติบูชาสร้างเครื่องมือที่จะมาใช้ในการ ดับกิเลสตัณหาโมหะวิชาก็คือสร้างศีลแปดขึ้นมาวันพักนี้เรามาลองหัดถึงศีลแปดกันหนึ่งวันแล้วก็เริ่มปฏิบัติตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะวันพักนี้เริ่มตั้งแต่ตอนตอนพระที่ขึ้นซึ่งช่วงนี้ก็ขึ้นประมาณหกโมงเช้าแล้วก็จะสิ้นสุดลงก็อีกวันหนึ่งคือวันพรุ่งนี้หนึ่งวันกันหนึ่งคืนยีิบสี่ชั่วโมงวันพระนก มี24ชั่วโมงด้วยกันเราจะา24ชั่วโมงของวันพระนี้มาให้กับการปฏิบัติบูบชาโดยการถือศีลแปดเป็นพื้นฐานคอยสกัดกั้นกิเลสตัณหาที่จะคอยดึงให้เราไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาให้กับการปฏิบัติเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบ พราว่าถ้าเราสามารถเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก็เท่ากับว่าเราสามารถต่อยคู่ต่อสู้คือกิเลสตนางหให้นับแปดได้ให้มันน้มลงไปนับแปดได้แต่ยังไม่ถึงนับสิมันยังไม่ตายา ส, สติกับสมาธินี้จะทำให้กิเลสหยุดทางานเชั่วข่าวกิเลสสติสมาธินี้ไม่สามารถที่จะ ทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปอย่างถาวรได้ต้องรออีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี้จะเป็นผู้ที่จะมาขุดล่ขุดลากโคนของกิเลสตัณหาคือโมหะอวิชชาความโง่ความหลงความไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนความหลงก็จะไปคิดว่าความสุขที่อยู่ที่การบริสุรูปเสียงกลิ่น การไปหาความสุขจากราบยศฉลเสริญซึ่งเป็นความทุกข์เพราะว่ามันเป็นอ น, นิจจังนอนัตตาอ น, นิจจังมันเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็มีดับมีเจริญแล้วก็มีเสื่อมเวลาเกิดเวลาเจริญก็ให้ความสุขเวลามันดับเวลามันเสื่อมก็จะให้ความทุกข์กับผู้ที่ไปเสพไปสัมผั์อันนี้ต้องใช้ปัญญาสอนใจ เวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ที่เป็นตัวทําให้เกิดตัณหาความอยากต่างๆขึ้นมาที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ขึ้นมาต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าการเกิดความอยากในใจก็เป็นเหตุที่ทําให้ใจเราวุ่นวายใจให้เราทุกข์แล้วสิ่งที่ความอยากต้องการมันก็เป็นของชั่วคราว มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเวลาที่มันเสื่อมเวลาที่มันหมดไปแต่ถ้าเห็นด้วยปัญญาว่าการทำตามความอยากนี้นาไปสู่ความทุกข์ก็จะไม่กล้าทำความอยากอันนี้จะทำให้ความอยากนี้หายไปอย่างถาวรแต่ก่อนที่จะไปทางปัญญาได้ขั้นต้นก็ต้องไปทางสมาธิให้ได้ก่อนและก่อนจะไปสมาธิได้ก็ต้อง ถือศีลแปดให้ได้ก่อนเป็นอย่างน้อยถือศีลแปดในวันหยุดทำงานาอาวันหยุดทางานเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพักกันแล้วก็ไปอยู่ตามสถานที่ที่ที่เหมาะกับการปฏิบัติธรรมไปตามสถานปฏิบัติธรรมต่างๆไปตามวัดปฏิบัติธรรมแล้วเราก็จะได้มีเวลาให้กับการ จเจริญสตินั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาตามลาดับต่อไป อ, อันต้นก็เมื่อรักษาสินแปดได้แล้วสินแปดมีอะไรบ้างก็ศึกษาก่อนศินแปดสินแก็เหมือนกับศินห้าต่างกันตรงที่ศินข้อที่สี่ศินข้อที่สามไม่ใช่ข้อที่ 4. สี่สินห้ามีข้อที่สี่ว่าการเมสุมิฉาจาราแปลว่าไม่ประพฤติผิดประเพณีหมายถึง ไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของเราไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของเราอยังหินห้านี้ยังไม่ห้ามไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกันยังร่วมหลับนอนกันได้อยู่แต่ให้หลับนอนกับคนที่เ็เป็นคู่ครองของเราเท่านั้นเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมานั่นเองถ้าเราไปหลับนอนกับคนที่ไม่ได้เป็นคู่ครองของเราพอคู่ครองของเราเขารู้เข้าเขาก็จะเสียใจ เาวจะโกรธเราแล้วเขาก็อาจจะมีปัญหากับเราได้ถ้าเราไม่อยากจะมีปัญหากับคู่ครองของเราเราก็ไม่นอกใจเราต้องมีความซื่อสัตย์สสกับคู่ครองของเราถ้าเราอยากจะร่วมหลับนอนก็ต้องร่วมร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราแต่พอมาถือศีลแปดนี้การร่วมหลับนอนกับใครก็ห้ามห้ามโดยเด็ดขาดคือให้ถือศีลบรมอาจารย์ ไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครศินแปดก็จะเป็นอ布า ม, มจริยาเวระมณีเราเว้นจากการาการมาพทธที่ไม่ใช่เป็นพรหมจรรย์ก็คือการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นั่นเองอนี่คือศินสินห้ากับศินแปต่างกันตรงที่ข้อสีอ 1, ขออ่ข้อหนึ่งข้อสองไอข้อสามข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ข้อห้าเหมือนกันไม่ฆ่าสัตว์เหมือนกันไม่นักทรัพเหมือนกัน ไม่ไม่พูดปดเหมือนกันไม่ดื่มสุรายามเมาอันนี้เหมือนกันต่างกันเพียงแต่ข้อสามที่กลายเป็นพรรมจริยาคือการประพฤติธรรมจรรยาแล้วเว้นจากการร่วมหลับนอนกับผู้แล้วก็เพิ่มอีกสามข้อขึ้นมาคือไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปไม่ให้รับประทานตามความอยากอนุญาตให้รับประทานอาหารเพื่อเลี้ยงเลี้ยงร่างกายได้ เรื่องการเลี้ยงนัางการนี้เลี้ยงวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งก็พอกินวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วเพื uh huh. ่อที่จะได้เอาเวลาหลังจากเที่ยงวันนี้มาให้กับการปฏิบัติธรรมนั่นเองถ้าเราถ้าเราไม่มีกําหนดเวลาเราก็ยังอาจจะเลือกกินเวลานั้นเวลานี้ได้อยู่ uh huh. มันก็จะมาขัดกับเวลาของการปฏิบัติธรรมได้ uh huh. ก็เลยทรงนั้นสองห้าไม่ให้รับประทานอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้ว uh huh. อันนี้คือศีลข้อหกแล้วก็ห้ามไม่ให้หาความสุขจากการเสพลูกเสียงกินรสในรูปแบบของมหัศลศพบันเทิงต่างๆไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ร้องรำทำเพลงไม่ใจตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็ไม่เสริมสวยความงามของร่างกายด้วยเสือ้อผ้าผ่อ์ที่วิจิตพิสดารหรือเสริมสวยความงามด้วยเครื่องน้ามันน้าหอมเครื่องสำอางต่างๆ อันนี้ต้องระ ง, งับไปจะได้ไม่เสียเวลากับกิจกรรมเหล่านี้เอาเวลาที่ไปทํากิจกรรมเหล่านี้มาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วก็ไม่ให้นอนมากกันไปให้นอนประมาณคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอการที่จะนอนแบบเกินละสีห้าชั่วโมงได้ต้องนอนบนบนพื้นแข็งแข็งเตียงที่ไม่ไม่นุ่มไม่สบายถ้านอนบนเตียงที่มีฟูกนะหนาหนามันนุ่มมันสบาย เวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสุกมันสบายก็อยากจะนอนต่อมันก็จะทำให้เสียเวลามีค่าของการปฏิบัติไปอันนี้ก็คือเรื่องของศีลแปดต้องพยายามหันรักษาศีลแปดให้ได้ก่อนอาทิตย์หนึ่งก็ลองมารักษากันหนึ่งวันรับประกันได้ไม่ตายหรอกอยข้าวเย็นนี้ไม่ตายนักบวชนี้เขาเขาเขาฉันมือเดียวกันมาตั้งแต่ เขาบวชเลยจนถึงวันตายเขาก็ไม่ตายไงกลับมีอายุยืนยาวนานจริ้หลวงปู่หลวงตาต่างๆนี่อายุท่านเก้าสิบขึ้นไปเท้งนั้นส่วนโวกที่กินมากๆนี้อายุมกักจะสั้นเหมือนกันเพราะโรคมันเยอะโรคที่เกิดจากการกินอาหารมากเกินไปโรคเบาหวานโรคความดันโรคหัวใจโรคอะไรต่างๆมันจะมาลุนแล้วทำให้ชีวิตนี้สั้นลงไม่ใช่ยาวขึ้นแต่อย่างใด ไม่ต้องกลัวว่าการโหดอาหารมื้อเย็นเพียงมื้อเดียวนี้จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมหรือถึงกับเสียหายได้รับประกันได้ไม่ไม่มีโทษแต่อย่างใดกลับมีคุณมีประโยชน์สีเพราะช่วยลดการกินอาหารที่มากเกินไปให้ลดน้อยลงได้การตนเราต้องฝึกรักษาสิน8แปดให้ได้แล้วเราก็ไปอยู่ที่สงบไปอยู่ตามวัดปฏิบัต หรือไปตามสถานที่ปฏิบัติธรรมต่างๆเป้าหมายแรกของการปฏิบัติก็คือการทำใจให้สงบให้นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิให้ได้การที่จะทำให้จิตรวมได้ต้องมีสติคอยหยุดความคิดถ้าเราไม่มีสติเรานั่งไปใจก็จะคิดเลื่อยเปื่อยไปนั่งไปกี่ชั่วโมงใจก็จะไม่มีวันสงบได้เพราะเราไม่มีสติคอยควบคุมความคิด ดนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราควรจะเจริญสติก่อนฝึกใช้สติก่อนคอยควบคุมความคิดตั้งแต่เรายังไม่นั่งสมาธิค่อยใช้คําบาลีคำพุทโธพุทโธเป็นเครื่องมือคําบริกีรมพุทโธนี้ท่านเรียกว่ากรรมฐานหรืออารมณ์ที่เราจะสามารถถูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆได้ถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธใจก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้ ถึงแม้จะคิดก็อาจจะยากกว่าการที่ไม่มีพุโทโธใหม่ๆเวลาเราจะเรียพุทโธมันก็ยังอาจจะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้อยู่เราก็ไม่ต้องไปสนใจให้เรากอดติดกับพุโทโธไปให้มากที่สุดท่าที่จะมากได้ใหม่ๆก็อาจจะกอดติดได้ไม่นานเพราะเราไม่เคยชินกับการมีอะไรผูกใจไว้อาจจะพุโทโธได้สักสองสามวินาทีสี่ห้วินาทีแล้วก็เผลอไปลอยไปกับความคิดอีกแล้ว พอเรารู้สึกตัวว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเราก็ดึงกลับมาอยู่ที่พุโทโธใหม่ใหม่ๆมันก็จะเป็นลักษณะแบบล้มลุกคุก ค, คานไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเราไม่เคยชินอยู่กับการผูกใจให้อยู่กับเรื่องเดียวใจเราชอบคิดเรื่องร้อยแปดคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นต่อคิดถึงเรื่องนู้นแล้วก็ไปคิดต่อไปถึงคนนั้นคนนี้ไปอยู่เรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนถ้าเราปล่อยให้มันคิดอย่างนี้เวลามานั่งสมาธิก็นั่งได้แต่ร่างกาย ร่างกายนั่งอยู่เฉยๆได้แต่ใจก็ไม่ยใจไม่เฉยใจก็คิดด้วยเปล่อยไปแล้วถ้าคิดมากๆเข้ามาความอยากมันก็จะตามมาอยากจะไปทํานู่นทํานี่มันก็จะทําให้ทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะเมื่อเกิดความอยากแล้วมันจะเกิดความรู้สึกอึอดอัดขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกสติการที่เราจะนั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบได้นี้เราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆก่อน ถ้าเราคอยควบคุมความคิดได้เวลามานั่งสมาธินี้พอเราให้อยู่กับพุทธโธต่อมันก็จะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดมันก็จะค่อยๆหายไปแล้วอาจจะทำให้ใจนิ่งสงบขึ้นมาได้หรือถ้าเราใช้ลมหายใจเข้าออกเราก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกแทนแต่อย่าไ ม, ไม่จาเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปบางคนเข้าใจว่าการนั่งสมาธินี้ต้องมีพุทเข้าโธออก อันนี้เป็นเรื่องกรณีของผู้คนบางคนที่เขาเขาถนัดแบบนี้เขาดูลมอย่างเดียวแล้วใจมันยังไม่ไม่นิ่งใจมันยังไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่เขาก็เลยเอาพุโทโธมาช่วยอีกอีกชั้นหนึ่งคือแทนที่จะเอาเชือกเส้นเดียวเอาเอาเชือกสองเส้นมาดึงใจผูกใจไว้เชือกเส้นเดียวมันมันดิน้นใจมันดิ้นแรงมันก็ขาดได้แต่ถ้ามีเชือกสองเส้นนี้มันก็จะดิ้นยากขึ้นสาหรับคนบางคน คนที่ใจมันดิ้นมากนี้ฟุ้งมากนี้บางที่อาจจะต้องใช้สองอย่างก่อนใช้พุทธเข้าโทออกก่อนแต่คนที่ไม่ค่อยฟุ้งนี่สามารถอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวได้ก็ใช้พุโทโธอย่างเดียวไปหรือสามารถดูลมหายใจอย่างเดียวได้ก็ดูลมดูลมหายใจไปก็เพียงพอแล้วถ้าเราไม่เผลอไม่ปล่อยให้ใจไปคิดอะไรเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความนิ่งได้พอจิตสงบแล้วกิเลสตัณหาหยุดทํางาน ใจที่ร้อนวูบวาบใจที่วุ่นวายใจก็จะหายไปเหลือแต่ใจที่นิ่งสงบใจที่มีแต่ความสุขอันนี้แหละคือขั้นแรกของการปฏิบัติเราต้องเข้าถึงจุดนี้ให้ได้เข้าถึงจุดของใจที่สงบให้ได้เพราะจุดที่สงบของใจนี้เป็นจุดที่มีความสุขมากที่สุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เหนือกว่าการได้รับยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพมเสก อันนี้เราต้องการเข้าสู่ความสุขอันนี้ก่อนเพราะถ้าเราเข้าสู่ความสุขอันนี้ได้แล้วต่อไปเราก็จะสามารถใช้ปัญญาสอนใจให้เลิกไปหาความสุขตามที่กิเลสตัณหาความอยากต้องการได้แต่ถ้าเรายังไม่มีความสุขนี้ในใจจากสมาธินี้การที่เราจะหยุดความอยากไปหาความสุขต่างๆนี้มันยากเพราะว่าเราเคยชินกับการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ แล้วอยู่ดีๆจะไม่ให้ไปหานี่มันจะยากแต่ถ้าเรามีความสุขจากสมาธิแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้ทดแทนกันได้เราได้ความสุขที่ดีกว่าแล้วเมื่อเราเห็นโทษของการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสว่านําไปสู่ความทุกข์ต่อไปเราก็สามารถหยุดได้ะหยุดอยากได้อย่างทาวออันนี้คือขั้นปัญญาต้องตามมาหลังจากที่ได้สมาธิก่อนขณะที่จิตสงบในสมาธิยังไม่ต้องใช้ปัญญา ให้จิตสงบไปนานๆอย่าเพิ่งไปพิจารณาอะไรทั้งสิน้นไว้รอให้ออกจากสมาธิมาก่อน อ, ออกจากสมาธิมาแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาแล้ค่อยพิจารณาใช้ปัญญาสอนใจว่าอยากในรูปเสียงกลิ่น้สนี้เป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงทุกเดียวสุกเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาต่อไปใครเห็นว่าเป็นทุกข์แล้วมันก็จะไม่อยากจะได้มันก็จะหยุดความอยากได้อันนี้เป็นขั้นปัญญาต้องจเจริญในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิ ขณะที่อยู่ในสมาธิต้องคอยควบคุมความคิดอย่าให้คิดให้สงบไปนานๆให้นิ่งไปนานๆเพราะยิ่งนานเท่าไหร่จิตยิ่งมีพลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้มากขึ้นไปนั่นเองนี่คือการปฏิบัติขันต้นก็เจริญสติเพื่อนั่งสมาธิให้จิตใจสงบเมื่อจิตใจสงบเมื่อมีกําลังที่จะสู้กับความอยากได้เวลาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์ ทำให้จิตใจวุ่นวายและสิ่งที่ความอยากต้องการก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเห็นสองอย่างนี้แล้วต่อไปก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรสู้อยู่กับความนิ่งอยู่กับความสงบดีกว่าอันนี้ก็จะทําให้ใจหลุดพ้นใจบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นโทษของความอยากว่าเป็นเหตุที่ทําให้ใจทุกข์และเห็นสิ่งที่ความอยากต้องการว่าเป็นของไม่เที่ยงจะต้องกลายเป็นความทุกข์ต่อไป ก็เลจะทําให้ไม่มีความไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาอีกต่อไปใจที่ไม่มีความอยากก็เป็นใจที่สงบตลอดเวลาเรียกว่าบร ม, มสุขใจที่สงบตลอดเวลาก็คือพระ น, นิพพานพระนิพพานก็คือบร ม, มสุข น, บานาิบานังพรมังสุขขังเพราะใจของพระนิพพานนี้เป็นใจที่สงบตลอดเวลาไม่มีกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจอีกต่อไป แล้วก็ไม่มีอะไรที่มาดึงใจนี้ให้ไปเวียนว่าวตายเกิดเด็กต่อไปเพราะเหตุคือความอยากต่างๆก็ได้ถูกกาจัดด้วยศีลสมาธิปัญญานี้นี่หละคือวิธีการบูชาปฏิบัติบูชาที่พระเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดระหว่างอามิสบูชากับปฏิบัติบูชาถ้าสามารถปฏิบัติบูชาได้ให้ปฏิบัติบูชาเลยแต่ถ้ายังไม่สามารถปฏิบัติบูชาได้ก็ให้ บูชาด้วยอามิสบูชาไปก่อนจนกว่าใจจะมีกําลังที่สามารถจะไปสู่การปฏิบัติบูชาได้ก็ค่อยไปสู่การปฏิบัติบูชาในเบื้องต้นก็อาจจะไปปฏิบัติบูชาแบบชั่วคราวก่อนเช่นในวันพระวันธรรมดาก็อามิสบูชาไปพอวันวันพระวันหยุดทํางานของเราเราก็เอาวันหยุดทํางานมาเป็นวันพระเพื่อมาปฏิบัติบูชา ถ้าเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปกําลังของการปฏิบัติบูชาก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นและเราก็จะปฏิบัติบูชาได้เพิ่มวันมากขึ้นจากอา ท, ทิตย์อาทิตย์ละหนึ่งวันก็เป็นสองวันเป็นสามวันไปจนในที่สุดก็พร้อมที่จะไปปฏิบัติบูชาเต็มรูปแบบคือไปบวชเป็นพระได้นี่ก็คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนามีอยู่สองขั้นด้วยกันขั้นแรกเรียกว่าอมิสบูชาบูชาบูชาด้วยวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆ แล้วก็ปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงที่ที่เป็นมงคลอย่างยิ่งแก่ชีวิตคือการได้ดูดพ้นจากความทุกข์อันนี้แหละเป็นมงคลที่สูงสุดที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้พวกเราได้เข้าถึงกันด้วยการบำเพ็ญปฏิบัติบูชาการแสดงก็คิดว่าพอสมควรต่อเวลาจะขออนุโมทนาให้พอย ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตจินางเปตานางอุปกับปติอิชิตางปะทิตางตุมหังคิปเมวะสมิจฉุสสพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระสสยะถามณิโชติ ทาราโสยัาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโลควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารูธรรมวาทานเตอายุวโนอสุขัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะสะดวกที่จะตอบคำถามถ้าหลังจากนั้นเราจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยวันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง facebook ส4 8อสี่บแปดท่าน YouTube ภาชาติไลฟ์สาม้อยสิบปดท่าน YouTube ดรวีห้าสิบสามท่านวิทยวนไลน์สิบเอท่านค l u b เฮาส์ห้าท่านนาคุติร้อยเจ็สิบสมท่านรวมทั้งหมดเก้าร้อยแปดท่านครับระจัรย์มีคำถามจากทางนาคุติค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะการถือศีลห้าศีลแปดต้องภาวนาหรือไม่หรือนึกในใจว่าตอนนี้วันนี้ขอถือศีลห้าศีลแปดคะก็ตั้งใจไว้เฉยๆในใจก็พอไม่ต้องไปขอกับพระไม่ต้องไปขอกับใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเราเรื่องของความตั้งใจเรื่องของความมีเจตนาข้อ2ค่ะการปฏิบัติบูชาเราสามารถปฏิบัติเป็นครั้งครั้งหรือเป็นชั่วโมงได้ไหมคะ ก็ทำได้เท่าไหร่ก็ทำไปก่อนอยาเป็นไปได้ก็ถ้าทำได้อย่างต่อเ น, นื่องมันก็จะได้ผลดีกว่าแต่เบื้องต้นอาจจ ะ, ะนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงบ้างฟังเทศฟังธรรมบ้างอะไรเดินจงกรมบ้างอะไรลับไป่อนข้อสมค่ะ การสละเงินทองเพื่อทําอาิสบูชาด้วยการกําหนดว่าวันนี้เราจะทําแค่วันละกี่บาทคือสละวันละกี่บาทด้วยความเต็มใจถือว่าได้บุญหนึ่งร้เอร์เซไหมคะอ๋อคือบุญมันมีหลายความหมายไงคำว่า 100% ซก็คือเรามีเท่าไหร่เราก็สละไปหมดก็จะได้ร้อยเซถ้าเรามีเงินทรัพย์สินมีเท่าไหร่เราไม่ต้องการใช้มันแล้วเราจะไปบวชนี่ เราก็สละมันไปหมดอย่างนี้ก็ได้ร้อยเปอร์ซแต่ถ้าเราสละเพียงร้อยละสิบเราก็ได้บุญร้อยละสิบไปก่อนจากทางหน้ากุติค่ะถ้าพุโทโธคือสติแล้วสติที่รู้สึกตัวทั้งกายทั้งใจเหมือนกันไหมครับก็อันเดียวกันอนะเพียงแต่ว่ามันไม่รู้อย่างต่อเนื่องต้องมาฝึกให้มันรู้อย่างต่อเนื่องให้เป็นสัมปะชัญญาให้รู้อยู่ตลอดเวลา อันนี้มันรู้แค่แป๊บๆเราก็ไปรู้เรื่องอื่นต่อสลับไปสลับมาจากทางเฟ e b o o k ค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์รู้สึกเบื่อในกิ จ, จวัตรประจำวันทุกๆวันที่วนไปซ้ำไปซ้ำมาพอสติรู้ทันความเบื่อหน่ายก็หายไปตามกฎไตรัก แต่พอสติรู้ไม่ทันความเบื่อก็กลับมาใหม่เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติทุกเวลาความเบื่อถึงจะไม่เกิดขึ้นถูกไหมคะถูกต้องจะทางอินบ็อกค่ะรบกวนสอบถามพระอาจารย์ค่ะหากนั่งสมาธิแล้วพอถึงจุดที่ลมหายใจเบาเหมือนแทบไม่มีลมหายใจพอภาวนายุบหนอพองหนอไปสักพักก็ได้ยินเสียงใจเต้นแรงแรงจนเหมือนจะตายหายใจไม่ออก ทำให้ไม่มีแรงภาวนาต่อพอออกจากสมาธิรู้สึกหมดแรงไม่มีเรี่ยวแรงแบบนี้ต้องแก้อย่างไรดีคะคืออย่าไปสนใจกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราอยู่กับยุบหนอพองหนอก็อยู่ตรงนั้นดูที่ยุบเนอพองเนอไปส่วนอาการอย่างอื่นที่เกิดขึ้นมาเราอย่าไปให้ความสำคัญอย่าไปสนใจถ้าเราไม่สนใจแล้วอาการเหล่านั้นมันก็จะไม่มาสร้างปัญหาให้กับเราได้ คำ ถ, ถามจากทางช่องดอกรวีค่ะดักหนูใส่กรงตอนเช้าไปปล่อยข้างนอกบ้านแต่ยังไม่ตายวันรุ่งขึ้นไปเห็นนอนตายอย่างนี้เราจะบาปไหมคะก็เราไม่รู้สาเหตุของการตายของเขาว่าเขาเกิดจากอะไรแต่ถ้าเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเราเพียงแต่จับเขาเข้ากรงแล้วก็ไปปล่อยนี่มัน ก, ก็คงยังไม่เป็นเหตุที่เราไปทำให้เขาตาย คำถามต่อไปค่ะหนูเห็นกิเลส ท, ที่รักห่วงยึดมั่นในตัวสามีรู้สึกทุกข์มากหนูดูว่านี่คือกิเลสของหนูที่ที่เกิดขึ้นจะต้องแก้อย่างไรดีคะกับขอคำแนะนำค่ะก็ต้องนึกบ่อยๆว่าเรามีการพัาดพาดจากการเป็นธรรมดาไม่ช้าก็เร็วเขาก็ต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปจะจากแบบไหนก็เหมือนก็แล้วแต่มันมีสายหลายสาเหตุ ด, ด้วยกัน จากไปเพราะความตายก็มีจากไปเพราะเขาต้องไปทำงานที่อื่นก็มีจากไปเพราะเขาไปชอบคนอื่นก็มีแต่มันก็ถือว่าเป็นการพลาดพลาดจากกันเหมือนกันถ้าเรายอมรับความจริงอันนี้ให้ได้แล้วใจเราก็จะไม่หวงไม่หวง จากช่องดร์วีนะคะหนูศึกษาอยู่ต่างประเทศได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติภาวนาจึงรู้สึกเริ่มเบื่อหน่ายเรื่องทางโลกหนูควรสําเร็จการศึกษาและทําตามที่พ่อแม่คาดหวังให้สําเร็จก่อนจะลงก่อนจะละเรื่องทางโลกอย่างสมบูรณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วเพราะว่าอารมณ์เบื่อของเรามันยังไม่แน่นอนเบื่อวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็าอาจจะหายเบื่อก็ได้เบือ่อๆยาวๆอยู่ งั้นอย่าปล่อยให้อารมณ์เป็นผู้ตัดสินการกระทําของเราให้ให้ดูการปฏิบัติของเราว่าเราพร้อมจริงหรือไม่แล้วเรายังมีภาระอะไรผูกพันอยู่หรือเปล่าถ้ามีภาระผูกพันก็ควรจะทําภาระนั้นให้มันสําเร็จรู้เรื่องไปก่อนจากทางเฟซบุ๊กค่ะกลับในมรส ก, การพระอาจารย์ครับการที่เราเข้าวัดเราเห็นพฤติกรรมหรือคนที่เข้าวัด เที่ยวแต่งกายไม่เรียบร้อยแล้วเราเกิดความรู้สึกไม่พอใจอาการนี้คือโมหะใช่ไหมครับแล้วเราต้องจัดการอารมณ์นี้อย่างไรดีครับก็โมหะก็คือความไม่เข้าใจเขาไงเราไม่เข้าใจว่าเขาไม่รู้เรื่องบางทีเขาเข้าวัดเขาไม่ได้รับการบอกเล่าให้วิธีการที่ถูกต้องเรื่องของการแต่งตัวว่าจะต้องแต่งตัวอย่างไรเขาก็เลยทาไปตามภาษีภาษาเขาเราก็ไม่ควรที่จะไปโกรธเขาไปเกลียดเขา จากทาง YouTube ค่ะจากคุณใบยกค่ะนปัจจุบันลูกใช้พุทธทางสระานางังจนถึงตติยามปิสังคงังผลคือลูกเข้าสมาธิง่ายขึ้นบริบทภายนอกส่งผลน้อยมากส่งผลน้อยลงมากเจ้าค่ะตื่นทุกครั้งจิตก็ใส่พุทธทางสระานางังถูกทางหรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ถูกทางแล้วมีหลายวิธีด้วยกันไม่จาเป็นจะต้องใช้พุทโธอย่างเดียว ใช่การส่วนพุทธังทำมังสังคังสารานางกระชามิไปก็ได้คือให้จิตมีงานทำเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นอย่างนี้จากทางอินบ็อกเจ้าค่ะถามว่าการบริจาคอวัยวะแพทย์ระบุว่าสมองตายแต่อวัยวะอื่นๆที่บริจาคยังทำงานอยู่แบบนี้เป็นบาปไหมคะคือยังไม่ตายนะ่ตามหลักของพุทธศาสนา เวลาตายนี้ทั้งหมดลมหายใจนะั้นถึงจะเรียกว่าตายเพราะว่าเมื่อระบดลมหายใจแล้วอวัยวะต่างๆก็จะหยุดทํา ง, งานทั้งหมดแต่ทีนี้ทางแพทย์เขาก็อาจจะมีกิเลสเข้ามาครอบงาําเขาก็หาวิธีว่าจะเอาอวัยวะที่ยังไม่ตายนี้มาใช้ประโยชน์ต่อไปเขาก็เลยอ้างว่าตายแล้วตายที่สมองแต่ความจริงมันเป็นการสร้างนิยามใหม่ขึ้นมาของคําว่าความตายแต่ความใจความตายที่แท้จริงมันก็ต้องอยู่ที่ การไม่หายใจนี่แหละเพราะเมื่อไม่หายใจแล้วทุกอย่างมันก็ดับหมดหยุดหมดคำถามจากช่องดรวีค่ะพระโสดาบันที่ท่านเป็นคารวาสละสากยดิธิธได้แต่คงใช้ชีวิตแบบชาวบ้านถือศีลห้ามีภรรยามีลูกหลานคือยังมีสัมพันธ์กับคู่สามีภรรยาตนเองได้ไหมคะได้เพราะว่าท่านยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะละกามารมณ์ได้ ท่ายังมีการอารมณ์อยู่ในใจยังรักสวยรักงามอยู่อยากมีแฟนอยากมีครอบครัวอยู่ <c oughs> ยนะ <c oughs> แต่ต่อไปพอท่านเห็นว่าการมีครอบครัวมีแฟนนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะจะต้องห่วงต้องห่วงก็อาจจะหาวิธีเลิกมีแฟนท่านก็จะไปเจริญ ส, สุภาษิ จ, ะจะนารณาความมีสวยงามของร่างกาย ต่อไปท่านก็จะไม่มีความอยากจะมีแฟนมีครอบครัวท่านก็จะบรรลุเป็นผ้านาคามีขั้นที่สาต่อไปเอเชยเข้ามาพเนี่คำถามเยปย่ะเข้ามาสิเอาไมโครโฟนไปกรารขอรความเมตตาพระอาจารย์ขอสอบถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสติและปัญญาครับ <c oughs> อ่า อ, อ, อยากทาบอยาทราบว่าพุทธทครับ เป็นทั้งสติแล้วก็เป็นทงปัญญาด้วยหรือไม่ครับ เวลาที่เราฟังธทำหรือแม้แต่อ่านหนังสือครับเราจะมีการใไข้ควรพิจนารณาปัญญาที่ได้รับได้ฟังมาแต่พอเรานําไปใช้จริงในการเอาชนะความอยากในชีวิตประจําวันพบว่ามันไม่ทันครับรอาจารย์แต่เราก็ได้แต่คําว่า บ, บริการพุทโธพุทโธพุทโธไปแต่เราสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เวลาเราพุทโธครับปัญญาที่เราได้สะสมมาเนี่ยมันสัพยุทธในคำว่าพุทโธ ท, ทีเดียวไปเลยก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่า พุทโทอะ่ะมันทั้งรู้แล้วมันก็ทั้งรดัดในตัวมันเองใช่ไหมครับอาจารย์เออพุดโทนี้เป็นอารมณ์ของสติของสมาธิเวลาจิตคิดอะไรไม่ดีเราใช้พูดโทหยุดมันได้แต่หยุดได้แบบชั่วคราวเพราะว่ารากเง่าของของกิเลสคือความหลงมันยังไม่ได้รับการกําจัดถ้าใช้อย่างอื่นเช่นใช้คาว่าตายมรณานุสติอันนี้เป็นปัญญา เพราะถ้าเรารู้ว่าต่อไปเราก็ต้องตายเราอาจจะโลภไปทำไมถามอยากได้ไปทำไมได้ไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปอยู่ดีอันนี้ก็จะเป็นปัญญาที่จะไปแก้ความหลงคือความคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดเราลืมไปว่าเราจะต้องตายกันแเราก็อยากจะได้นูน่นได้นี่ได้มากๆแต่พอนึกถึงความตายปั๊บทีเดียวนนจเจ้าไปทาไมอันนี้ก็จะทาให้ดับความอยากความโลภได้อย่างถาวร แสดงว่าเราสามารถใช้ได้สองแบบคือในกรณีที่เป็นโชคคาคือใช้พุดโธครับกรณีที่เราเจอปัญหาเราเราใช้คําพูดภาษาไทยเตือนเราได้เลยได้พอเราใช้คําตายเามาใช้ได้แล้วจิตยอมรับได้มันก็ใช้ได้ครับครบัขอบพระคุณครับอาจารย์ครับถ้าคิดถึงตายแล้ว ก, ก็จะเป็นปัญญา ค, คิดถึงอนิจจ์ทุกขังอนัตตา ค, ความตายก็เป็นอนิจจ์ อนัตตาก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ความทุกข์ก็คือความต้องไปต้องเสียใจกับสิ่งที่เราได้มาในภายหลังถ้าเราเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็แสดงว่าเรามีปัญญาคำถามจากางอินบ็อกค่ะถามว่าเพศหญิงสามารถถึงนิพพานได้ไหมคะได้ทุกเพศทุกวัยไม่ได้อยู่ที่เพศมันอยู่ที่ใจมีธรรมะหรือเปล่า ถ้าใจมีศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนบริบูรณ์ก็ไปถึงนิพพานได้กันทุกคนในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งนักบวชทั้งฆราวาสมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ mm hmm. เพราะว่าจิตใจเขาไม่ได้เป็นเพศจิตใจเขามีมีธรรมะหรือเปล่าถ้าเขาได้สะสมบา ร, รมีมาในอดีต mm hmm. เช่นเด็กบางคนนี้มีธรรมะมากพอมาได้สัมผัสกับธรรมจากพระเจ้าเพิ่มเติมเท่านนั้นก็สามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้เลย mm hmm. มันไม่ได้อยู่ที่เพศที่วัยนะอยู่ที่จิตว่ามีธรรมะมีบุญกุศลสะสมมามากน้อยเพียงไรถ้ามีมากครบร้อยเมื่อไหร่ก็สามารถบรรลุพระนิพพานได้ทันทีหลงพ่อข้หนูขออนุญาตถามทั้งถามนะคะถ้าเรื่องงานทางโลกอะคะ่ะถ้าเราเลือกได้ะคะ่ะระหว่างงานที่มันเงินเดือนเยอะๆแต่ว่าความเครียดมันค่อนข้างสูงแต่กับงานที่กําลังจะเข้ามามันเป็นงานที่คลิดน้อยแล้วก็เงินเดือน เป็นเดือนมันน้อยกว่าแต่ว่าใจเราก็อยากจะจะออกภาวนาค่ะหลวงพ่อก็เลยตอนนี้คือถ้าเราเลือกได้จริงอะค่ะหลวงพอมีแนวคิดให้ให้หนูบ้างค่ะเราก็เลือกแนวที่มันไม่เครียดสิเรามันปฏิบัติทำเพื่อละความเครียดไม่ใช่มาสร้างความเครียดอีกทีอย่างนั้นอะไรที่มันเครียดก็อย่าไปทํามัน ค, คือการไปบวชนี่ไม่ต้องมีเงินไปก็ได้เพ็นแต่ เ, เราต้องลดเอตอีกโก้ของเรา ให้อยู่แบบแจ๋วได้ <Okay. S 2> ไปอยู่ว่าไปช่วยเขาล้างถ้วยล้างชามล้างซุวมได้เดี๋ยวเขาก็ขอล้อกให้เราอยู่เอง <Okay. S 2> เป็นปัญหาของเราเขาอยู่ที่อีโก้มากกว่าอย่างกจ่ไปอยู่แบบคุณหญิงคุณนาย <Okay. S 2> ไม่อยากจะทํางานอะไรอยากจะภาวนาอย่างเดียว <Okay. S 2> ถ้าคิดแบบนี้ก็ผิดหลักของการไปปฏิบัตินะ <Okay. S 2> การปฏิบัตินี้ต้องเป็นแบบต้องคิดว่าตนเองเป็นภาคที่ริ้ว <Okay. S 2> เป็นแจ๋วเป็นคนรับใช้ <Okay. S 2> การรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญเป็นกุศล <Okay. S 2> ให้มองอย่างนี้ เราจะได้ไม่ต้องไปเครียดกับการทํางานนี่ไม่ดีเดี๋ยวค่าตัวตายก่อนจะไปบวชแต่ถ้าเราแบบต้องแต่แต่ทางนี้ทางนั้นเราก็ต้องเ ก, เก็บเก็บเงินก่อนถูกไหมคะหลวงพ่อเรา <จะ S 2> เ, เก็บไว <ป S 1> ้บ้างนิดหน่อยแต่อย่าไปอาศัยมันเป็นก้อนเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจัยหลักปัจจัยหลักเราอาศัยกินข้าวก้นบาตรของพระกินข้าวที่เหลือจากบิณฑบาตถ้าเราเพิตมจนเป็นคนดีเป็นคนขยันไม่มีที่ไหนเขาตังเกียจเราหรอ เขาอยากจะขอร้องให้เราอยู่เซียด้ยทำไปแต่ถ้าเราไปทำตัวเป็นคนคนเกียรติค้านเลือกงานเลือกการไม่ไม่ทานู่นไม่ชอบทำนู่นไม่ชอบทำนี่ไม่ชอบอย่างนั้นไม่ชอบอย่างนี้จู้จีจ้จุกจิกเดี๋ยวเขาก็เชิญเราไปอยู่ที่อื่นขอบคุณค่ะคําถามจากทางช่องด็กเตอร์ีค่ะถามว่าทำไมบางคนมีอายุมากแล้วแต่จะมีนิสัยเหมือนเด็ก บางคนอายุไม่มากแต่มีนิสัยเหมือนผู้ใหญ่แบบนี้เขาสั่งสงมอะไรมาคะก็บุญบารมีเช่นขันเตบารมีวิริยาบารมีความความอดทนความขยันจะเป็นคนที่ไม่วุ่นวายกับใครเป็นคนที่มีอุบเบกขาบารมีนิ่งเฉยก็จะเป็นเหมือนผู้ใหญ่คนที่ไม่มีบารมีเหล่านี้ก็จะเป็นเหมือนเด็กขี้เกียจงองแงจูจ้จี้จุกจิก ตอนนี้ยังไม่มีค่ะท่านมีใครอยากจะถามอีกไหมเชิญ ถ, ถามได้น ะ, ะเพอเดี๋ยวก็ใกล้เวลาจะหมดลวถ้าไม่มีก็เอ า, ท, าท่านนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ